ส่งกันบ้านเคยมาหมท้านอาจารย์คะเคยมาครั้งหนึ่งคะ่ะแต่พอเริ่มเริ่มปฏิบัติแล้วก็ฟังซีดีท่านอาจารย์ประมาณ6เดือนนะคะ <Philadelphia. S 1> ก็เลยอยากจะเรียนรบกวนอาจารย์ให้อยากจะถามว่าจริตที่ตัวเองมีอยู่อะคะ่ะเป็นแบบไหนแล้วก็ควรจะเริ่มวิธีปฏิบัติอย่างไร ค, คิดมากนะไ<ช>ดูจิตไป<า>อะไรจริตเราเอางดูไม่ออกเลยี่ <spaces> ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะจะทํา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 นุ่มนวลเป็นกลางนะเป็นอุเบกขานุ่มนวลเป็นกลางมีความสุขจะไม่แห้งแรงแข็งกระด้างถ้าภาวนาแล้วแห้งแรงแข็งกระด้งางยังภาวนาไม่ถูกนะเกือบทั้งหมดก็คือการบังคับตัวเองนะอย่างเบอร์3 6นะภาวนาชอบบังคับตัวเองนะอยังบังคับอยู่ให้รู้นะให้รู้กายให้รู้ใจไม่ใช่ให้บังคับกายบังคับใจก็ส่งใจไปหา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 หลวงปู่สุวัสด์ท่านบอกท่านด่าตัวเองเลยบอกทำไมเป็นโง่แท้นอ้ออย่างนี้ของง่ายๆแค่นี้แหละเมืม่อวานเนี่ยเจ้าค่ะพอดีคุณแม่อามาาเทศแล้วแบบแล้วโยมก็แบบมันสะอื้นแบบร้องออกมาแบบทะลักออกมาเจ้าค่ะรู้สึกแบบพระพุทธเจ้าเทศแบบมาถึงคำพูดคำสอนของท่านแต่เราทำไมไม่เข้าใจเราเราโง่มากแล้วมันก็แบบ แบบเหมือนเราแบบพยายามจะดิ้นเนะเจ้าค่ะคือที่ผ่านมาเหมือนโยมพยายามจะดิ้นมาตลอดนั่นแหละเพราะคนณแม่เทแล้วมันพลักออกมาแล้วเข้าใจคุณธรรมราเขาเก่งนะพวกพวกบ่งฝีวันนี้โยมพาหลานมาเป็นครั้งที่สองอะเจ้าค่ะก็เลยพอดีเขามาจะหัดใหญ่แล้วจะกลับอาทิตย์หน้าเจ้าค่ะก็จะให้หลวงพ่อตัวโตกว่าญาติผู้ใหญ่เยอะเลยอ้างว่าไป